พรและทุกคนนะก็เดยนี้เดือนกุมภาถ้าก็เป็นเดือนของธรรมชาติาานากิกาเศรษฐาสติก็จะเป็นชว่วงที่ใกล้ใกล้วันมาครัอุชาก็เป็นเดือนพันปีนี้ตองที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ขี้ น, น, น, น, น, น, น, นิดนิดที่แค่กลาวก็วันมาครับอุชาละ เป็นวันที่สําคัญมากวันหนึ่งในทางพุทธศาสนานะฮะเป็นเรียกว่าเป็นวันที่พระพทเจ้าท่านได้ให้โบว่าแก่ผ้าประหารนะฮะในการที่จะเป็นให้กันเดยแท้คาสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่ญาโยมสึกษาไปเรียกว่าเป็นการวางรากฐานในการเผยแพ่ธรรมะเ ข, นะข้ามาได้นะฮะ็อีกวิธีวันก็จะถือรับ ขันมาก็เลยผ่านตรวจตรวจที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกก็คือโอวาทที่พรเจ้าจักรให้ไว้ในบันมาฆุชาเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาขอพระศตที่ผ่านมานั้นแต่ตันให้โอวาทไว้พวกเราก็เอามาใช้กันต่อก็อได้จะเกิดประโยชน์นนอย่างในเรื่องเรกเราจะสอนเรื่องไม่ให้ทำความชั่ว หรือว่าความไม่ดีต <ia> ่างๆนีอันนี้คือสิ่งที่ว่าเราไม่ทําความชั่วนี่ก็ทําที่เรามีความสุขมากใช่ัหมเวลาใดที่เราไม่ผิดสิ่หรือว่าเราทําเรื่องที่ดีๆเราต้องมีความสุขเวลาใดที่เรายับยั้งตั้งใจจากความคิดที่ไม่ดีจากอกุศลจากความโลภควาโกรธความหลงเราก็เกิดความสูขใจแล้วเลยเรารู้ทันนะนะแล้วก็ ไปทําการคิดแล้วนะออันนี้ก็คือบางทีเราก็เจะได้ไม่ต้างมาเราียกว่ามาเสียใจใจหลัอย่างสมัยนี้มาสังเกตดูว่าทำไมหนําถื อ, อหรือว่าบางทีเวลารรนคนเขาพูดถึงเรื่องธรรมะแต่บางทีคนเข้าข้างจะไปเรื่องการแก้กําการตดวจสอบข้อหรือว่าสมัยนี้ทํากั น, นอะไรจะมาทำบาปเนี่ยก็เลยพยายามจะแก้กันน มีความติดข้างในใจกันก็ไม่สบายใจก็าหาวิธีแก้กับมระดอกเคาะให้มันเรียกว่าให้มันหายจากอดีตที่เคยทำไม่ดีนะเมืองไทยไปเยอะนะมนไม่รู้ว่าประเรศอื่นเป็นกันเยอะห ร, ระแต่สังเกตเรื่องหลังๆนี่จะมีหนังสือหนังหาหรือว่าใครที่นะทําเรื่องตวกนี้ก็ตนะแต่ต่างๆกันนะแต่เราคนก็จะไปกันเยอะมากเลยนะเดี๋แก้กรร ไปดูแก้กันได้จริงหรือเปล่านะคําหรือการกระทํ า, าทําไปแล้วจะไปแก้ได้ไ่มันเป็นอดีตทำไปแล้วนะแต่คนอาจจะกลัวผลของการก็ได้นะทาไม่ดีแล้วก็ไม่อยากให้ผลของการไม่ดีเกิดขึ้นก็เลยก็อยามจะไปแก้ตอนนั้นแต่จริงทำทําไปแล้วนะผลนะย่อมตามมาผลย่อมตามมาแน่นอนทาดีผลดีก็ตามมาแน่ ทำไม่ดีผลไม่ดีก็ตามมาแน่แต่จะตามมาตอนไหนไบอกไม่ได้แต่ของคนที่อาจจะจทูกใจบ้างบางทีแต่เราทําดีแล้วก็อยากมันได้ดีทันทีเลยใช่ไหมเวลาเราชวนเพื่อนมาปฏิบัติธรรมชวนเพื่อนทาความดีบางทีเราก็อยากให้เข้ามาสันทีเลยสื่อ น, นใช่ไหม ทันทีเราทําดีกับใครเราก็อยากจะให้เขารู้ใหเราได้ชื่นชมให้เขาสัมผัดทันทีเลยนะแต่บางทีเวลาทําไม่ดีแล้วก็ยังจะบ่ายเบียนเพื่้เพียงที่จะผัดความไม่อยากมนะันเกิดขึ้นมานะนนี้นี่คือคำที่ทําไม่ดีนะครับเริก็จนะนมาซึ่งความทุกข์ตอนนั้นแต่เวลาเราทำเราทําความดีแล้วนะมันจะเกิดความสุขนะ พุทธเจ้าก็เลยสอนให้เราทำกุศลกุศลก็คือสุนทรความดีต่างๆนี่แหละนะกุศลไม่ใช่เพียงแค่การทำบุญกับพระหรือว่าการเรียกว่าตั้โบสถ์ตั้งวิหารอะไรเท่านั้นเนาะกุศลก็คือสิ่งที่ทำแล้วเกิดประโยชน์นะต่อตนเองเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นอันนี้คือกุศลนั่นเลนะหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุศล ไม่ทำความชั่วแล้วทำความดีแต่ว่ามันพอไหมศาสนารื่อาจจะเน้นแค่ตรงนี้ก็พอละแต่พระเจ้าก็บอกว่ายังไม่พอเราต้องฝึกจิตให้เข้าถึงความสะอาดโดยสุทธิ์หมดจดของจิตจริงๆก็คือทําจิตให้ขาวรอกเพราะว่าอะไรบางทีบางคนทําดีแล้วก็ยังทุกข์ใช่ไหมดีแล้วไม่วางติปที่ทํา หรือว่าเป็นภาพบังผลในการทําดีคดคุกนะบางทีคนดีนะบางทีทุกข์มากตร่ไม่ดีอะไรบางทีคนไม่ดีบางทีมันทําแล้วมันเกิดความสัจใจเกิดความรู้สึกเส้นหลอดกีเดตกิเดกก็ให้ให้รางวัิดหนึ่งใหความสุขที่ได้ฟังฟังนะหรือบางทีก็ทําด้วยความหลงแต่ก็ไม่มาไม่ได้สนเสริมนะแต่บางทีบางทีบางคนเขา แล้วก็คิดว่ามั่นสบายใจก็มีนะแต่จริงมันเป็นความสบายใจบนพื้นฐานแห่ความเรียกว่าไม่รู้นะไม่รู้ความจริงว่าได้ที่ทําไม่ดีเดี๋ยวผลน ก, ก็ตามมานะผลก็ตามมาแน่นอนนะต้องได้รับความทุกข์แน่นอ น, แ ล, น, นอแล้วก็ที่มากกว่นั้นคืออะไรทําไม่ดีนะมันก็จะกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีต่อไปเรื่อยๆนะถ้านิสัยนี่แหละมันจะต่อไป แต่แต่ก่อนเคยทําไม่ดีนิดนึ่งต่อไปก็จะทําที่มันมากขึ้นบ่อยขึ้นหรือหนักขึ้นก็ได้เหมือนอย่างของคนติดยาเสพติดนะของคนเริ่มก็ด้ยดูหรแค่มวนเดียวต่อไปก็ไปหลองเป็นตุลาเป็นกัญชาเป็นเฮโลอีนเลยมากมายก็ก็เริ่มต้นจากทิดเดียวนี่แหละนะต่ไปเริ่ม ก็หนักมากขึ้นสุดท้ายก็เลือกไม่ได้โดนแดดโดนแดงตายก็มีเสษยาจนขนาดตายก็มีใช่ไหมอันนี้คือความวิธีนี่ถ้าเราให้โอกาสมันนิดเดียวเนะต่อไปมันก็จะขยายมากขึ้นในแบบเชื้อโรคในร่างกายของเราทีมันเข้ามาก็าคงเข้ามาไม่ไ ม, มากนักทีเดียวแต่ก็มาอยู่ในร่างกายแล้วก็ค่อยๆขยายตัวค่อยๆแพร่กันเรื่อยเรื่อย เชื้อความไม่ดีในจิตใจของเราทุกเหมือนกันเนาะนะถ้าเราให้โอกาสมันแทร่เชื้อในจิตใจมันก็จะดาบฟานะัะเป็นความไม่ดีมากขึ้นแล้วก็เกิดเปนความทูกขใจแต่ทําดีแล้วก็ต้องเรียว่าเรียนรู้ในการปูุกใจด้วยนะเพราะถ้าเรานี้เรียนรู้ในการปลุกใจมันก็จะทุกข์เขราะบงคนนะบางคนก็มีตำทางา น, นะมาเคย ได้ยินนะบางคนบอกบางทีเห็นหนักปฏิบัติธรรมอนะ่ะ เ, เขาก็ยังเป็นคนไม่ดีเลยนะเลยเขาก็ยังอารมณ์เฉื่อยเขาก็ยังเรียกว่าเขาก็ยังมีความหลงอยู่นะแต่เขาก็ยังเกิดใจการปฏิบัติธรรมถ้าเปรียบเทียบกับคนคนปกติคนหนึ่งที่ค่อนข้างดีถือว่าดีเลยก็ว่าได้แต่เขาไม่ปฏิบัติธรรมไหนไหนดีดีกว่ากันเดี๋ยวว่าไหนดีกวนะ่าก อันนี้ตอบดีกว่าทำไมอ่ ะ, อะคือสิทธิเขาียนตอไม่ได้คิดได้มาเจอในข้อสอบแล้วก็อ่าก็ใช่นะก็ะถ้าพูดถึงปฏิบัติคนที่ดีก็ ย, ย่อมดีกว่าคนที่ชัว่วอย่ไหมแต่ถ้าพูดถึงอนาคตเรามห็นสิทธิ์แค่แคคนที่ปฏิบัติธรรม แม้ตอนนี้เขายังถือว่าเป็นคนไม่ดีอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้ทานอารของตนเองแต่ถ้าปฏิบัติธรรมมากขึ้นใช่ไหมพอเขาเห็นโทษของการทำของตนเองที่ทำพฤตอกรรไม่ดีเขาก็จะช่วยลดหรือว่าจักษาการเป็นคนชั่วนหรือคนไมของเขาใช่ไหมเขาก็จะหลับตอนดีมากขึ้นแล้ว้าเขาฝึกมากขึ้นจนท่านรู้จักการไปวางในเรื่องต่างๆในที่มั่นหรืมั่นติมต่าง แม้เขาทาดีแล้วเขาก็าทำดีอย่างไม่คู่สามารถก็คือความเรียกว่าหลุดพ้นได้เรียว่าสามารเกี่ยวกับพัฒนาอาจจะเริ่มต้นจากความชั่วมาพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีเรื่องจะน่าพัฒนาถึงจิตที่หลุดพ้นก็ได้อันนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรนะแต่ถ้าคนหยุดแค่ว่าเราดีแล้วหยุดแค่นั้นโอกาสมันชิ่นเฉยอะ โอกาสไม่มีกาพัฒนาขึ้นแต่บางทีอาจจะมีโอกาสตกต่ำลงก็ได้นะใช่ไหมถ้าเราวิวธรรม ท, ทีเด็ในจิตใจตอนนี้ให้ตัวดีอยู่ดีอยู่ถือว่าดีแล้วแต่ถ้ายัางทุกข์ใจเพราะสิ่งที่ดียังรังใจไม่เป็นเพราะว่าสินงตางเกิดขึ้นนะมันก็ยังเป็นคนดีที่ทุกข์อยูนะ่แต่ถ้าเราปฏิบัติทำนะจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติทำนะ โอกาสจะพัฒนามันยากนะมันจะยากนะออกมาว่าคนดีก็มีมากอยู่นะแต่คนที่จะพัฒนาดีใจให้ก้าวพ้นนะหรือว่าจับความรู่เนี่ยมันมันยากกว่าเหมือนบางคนก็มีคําถามนะก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็สุขดีพอสมควรไม่เห็นจะทุกข์มากเลยทําไมต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยชีวิตก็ มีเา่กิน่ีครอบครัวที่ดีมีงานค้าที่ดีไม่ได้เจ็บใครไม่ป่วยมากแะปัญหาอะไรก็ไม่ด้มากมีความสุขสบายอยู่แล้วทาไมต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยหรือบางคนก็คิดในใจถ้าทำยังไงเราถึงมีความสุขแบบนี้เป็นนานๆหรือว่าต่อไปเรื่อยๆจนถึงตายมันได้หรือเล่าความสุขคนนี้มันเพียงแค่ไหมไะ ความสุขที่เกิดนกะารงานก็จะมีหลักรับประกันความอบอเนาะถ้าเป็นข้าราชการหรือว่ามีฐานะที่มันคง ก, ก็ค่อนข้างจะรั บ, รรรบนนประกันไะด้ระดับหนึ่งว่าคงจะอืียกว่าไม่ลำบากแต่ความสุขใ น, นเรื่องสุขภาพรับประกันได้ไหมการรับประกันสุขภาพของอรสระสมสารสุขรับปรกันได้ไหมว่าเราจะไม่เจ็บใครที่ป่วยนเะอ่นะ มีแต่รับประกันแต่รักษาให้แต่ไม่มใครรับระกันได้แล้วเราจะไม่เก็บไข้ได้สวยใช่อืมถ้ารัต้องกันได้ไหมว่าอเราจะต้องมีตายอันนี้แน่นอนจะต้องตายแล้วเราเรารับประกันได้ไหมว่าชีวิตเราจะมีผุ้ถ้าเจอการพักผ้าสูญเสียอเจอคนรักจากไปพ่อแม่ตายไปของรักหายไปลูกเสียไป เราประกันได้ไหมว่าจิตใจเราจะไม่ทุใช่ไหมตอนนี้แค่อยู่ชีวิตเรามีความสุขมีความปลอดภัยมั่นคงในระดับหนึ่งแต่ชีวิตมันแน่ตั้เมื่อไหร่ใช่ไหมเราต้องเจอความกระท่าสูญเสียเราทำใจได้ไหมเราต้องเจอสุภาพร่างกายที่ผ่อนแปป่วยแล้วก็ตายไปเราทําใจได้ไหมใช่อืมเราต้องเจอปัญหานครบเราทำใจได้ไหม การมองชี้ิตแบบนี้นะไม่ใช่การมองชีวิตในทางลบหรือว่ามองแล้วตะคนนะแต่มองเพื่อความเป็นประมาทเยมันต่างกันนะบางคนมองชีวิตแบบมองด้านลบเนี่ยมองด้วยความนียตกกังวลแต่การมองชีวิตด้วยความเป็นประมาณเนี่ยมันต่างกันเราเนีพราะอะไรการมองชีวิตด้วยความกังวลหรือว่าด้านลบเนี่ยมันมองแล้วตะคุนมองแล้วไม่ไปเห็นทางแก้ ม อ, อ, อ, อ, อ, องแล้วก็าจมเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าจมกับความวิตกกังวลในอนาคตแต่การมองชีวิตอย่างมีปัญญาเนี่ยจะเป็นการมองชีวิตอย่างไม่ประมาณรู้ว่าอนาคตต่อไปมันไม่แน่นะอะไรจะเกิดขึ้นกับเรามันก็ไม่แนะน่นะอจะเจ็บไข้ได้ป่วยวันไหนก็ไม่แนะ่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่แน่นะเพื่ อ, อนปูงญาติจะเสียไปวันไหนก็ไม่แนะ่ เราก็เลยต้องฝึกิตให้มันเรียกว่ายอมรับในความไม่แน่ในชีวิตก่อนเพราะฉะนั้นแม้บางคนจะมีชีวิตที่มีความสุขสบายดีนะอันนี้เราก็เห็นว่าการภาวนาการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าเราคนที่จะเตรียมรับความไ่แน่ในชีวิตแล้ที่สําคัญนะเอเราจะสามารถเข้าเขสืข่นและสัาามผัสความสุข ที่มันมากกว่าที่เคยได้สัมผัสมานะความสุขทีนะ่ทางโลกเขามีนะความเป็นภพระกกเบียนโยก็สาหารถได้นะแต่กวามงป็นอย่าจะมาเป็นพระบางอยางก็สามารถมีได้นะความสุขทางโลกบาอย่างนะแต่ที่จริงพพธเจ้าเราได้ปรับปฏิเสธความสุขทางโลกนะถ้าเป็นความสุขที่ชอบทำข้อสามารถสัมผัสหรือว่ายินดีกันนั้นได้ แต่ถ้าเราภาวนามากขึ้นเราจะสัมผัสความสุขในทางธรรมก็คือความสง บ, บใจนะความเย็นใจความสุขใจนะหรือว่าเป็นความสุขที่เกิดจาการมีปัญญารู้ความจริงของธรรมชาติซึ่งจะเป็นความสุขที่สูงขึ้นไปนะอันนี้คือถ้าเราไม่ภาวนานะเราก็จะตางแค่ว่าความสุขทางโลกนะหรือความสุขที่มัน ได้อ่านหนงังสือเขาพัฒนาภาวการณ์ท่านเอาไว้ก็จะเป็นยงแค่ความคิดแต่ก็บางคทีก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของอรูเจ้าเป็นเรื่องที่คนที่ใส่แล้วแต่ถ้าเราภาวนามากขึ้นเราจะสัมผัสได้นะในตัวของเราเองถ้าเราจะเกิดความมั่นใจว่าเออไม่ใช่เรื่องใครตัวนะเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนก็สา ม, มารถเข้าถึงได้เช่นกัน อันนี้แหละคือความสำคัญของการภาวนานะไม่ว่าคนคนนั้นจะมีอดีตที่เคยทำไม่ดีหรือว่าทำดีอย่างไรแต่ถ้าคนนั้นยังเห็นความสำคัญการภาวนานะก็จะมีโอกาสพัฒนาชีวิตจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นไปนหรือไม่ว่าใครจะมีความพุกมีปัญหามากขนาดไหนหรือใครจะมีความสุขความสบายขนาดไหนนะ ถ้าเราภาวนานนะเรากได้สามารถเข้าถึงความสุขที่มันละเอียดขึ้นที่มันมากขึ้นแล้วเราก็สามารถลบความทุกขนะ์ในใจิตใจของเราที่น้อยลงไปนะเราก็สามารถยอมรับในความยุ่งเหยิงของชีวิตนะความเป็นธรรมดาของชีวิตได้มากขึ้นอันนี้แหละมันมาก็เป็นหลักประกรันของชีวิตของเรานะแล้วถ้าชีวิตของเราสามารถเข้าถึงความสบุบเยน็นเข้าถึงความสุขเช่นนี้ เราก็จะสามารถเผื่อแผ่ความสุบเย็นเผื่อแผ่ความสุขให้กับคนอื่นได้ตามมาด้วยพระพุทเจ้าท่านให้บอกว่าขอบคิสุปในวันโอวาทปาติโมกนะท่านไม่ใช้เพียงแค่ว่าให้บอกว่าโอวาในการดับตุใจหรอกเพราะว่าที่จริงพระอรหันต์สอหนึ่งพังร้อยห้าสิูกนะท่านหมดทุกแล้วแต่ท่านให้โอกว่าเพื่อเปสอนคนอื่งต่อนั้นพระเจ้าไม่ได้หยุด แค่ว pues nah. ่าเรก็มีความสุขให้ให้ถึงที่สุดหนึ่งว่าสุขโดยความที่เรียกว่าคนจากความรูท่านั้นแต่ท่านยังให้รอ้ว่าพวกเราให้เป็นผ่อนตัวอื่นต่อด้วนะไม่ใช่แค่ยึดแค่ตัวของเรเองแต่จริงท่านยังเห็นว่าที่จริงโลกนี้อย่างเต็มด้วยความรู้โลกโลกนี้ยังเต็มด้วยความหลงอยู่เราจะช่วยกันช่วยกันเผยแพร่ธรรมะหรือว่าปลูกต้นอินให้กับคนอื่นด้วย อันนี้ก็จะเประโยชน์ต่อผู้อื่นประโยชน์ต่อสังคมตามขึ้นมาอันนี้แหละสิ่งที่สาคัญมากที่ถ้าเราได้รู้ถึงวันมาพักมูชาก็ดีนอย่าง ก, ก็ได้รู้ถึงว่าทีจริงด้วยกันทั้งสองที่เราทำประโยชน์ของตนให้เข้าถึงความสงบเย็นนะแล้วก็ทาประโยชน์ตผู้อื่นนะให้ถึงพร้อมด้วยก็คือช่วยผู้อื่นให้เขาจะดการทุกด้วยอันนี้คือการตามตามคำสอน ที่พระพ็นเจ้านี่ ค, คือคือหัวใจวัฏจักรของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งเนาะเอี่นจมาเยากจะเืนยังไวในช่วงใกล้ถึงประ เ, เดินสามตรงนี้นแต่ตอนนี้นวิธีการหรือว่าจะทำอย่งางไรล่ะเราจะเข้าสู่ความสงบเยใ็ในจิตใจของเราได้หรือว่าเราจะสามารถช่วยเหลือื่นให้เขาพ้นจาความทุกได้ สิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้ทันกิเลสในจิตใจรู้ทันว่าจิตใจมันมีความทุกข์หรือไม่พนะเจ้าก็เลยสอนใหเรารู้จักทุกข์รู้จักทุกข์รู้จักสังเกตุของความทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเป็นเช่นไรทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจเป็นเช่นไรเรากองค้นปึกษาเรียนรู้หรือว่ามีสติคอยรู้ทันแล้วบางที บางครั้งเราปฏิบัติธรรมนะถ้าเราเห็นว่าจิตใจมันคอยคิดคอยพงใจหรือว่าจิตใจมมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเราเห็นทุกข์แล้นะเริ่มเห็นทุกข์เห็นอะไรเห็นจิตมันคงอยู่ในสภาวะเดินไม่ได้เดี๋ยวเราก็คิดนั่นคิดนี่คุนั่นคุ้นี้เห็นบ้าบางทีเราก็คิดไม่ดีนะ แล้วก็เออไม่ทําการต่อชิดอันนี้ก็ดีนะเอะเห็นว่าจริงมันไม่เทีย่ยงเห็นว่าอะไรต่างก็มงค้ำไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยากให้มันสงบอยากให้มันะบายก็ไม่ใช่นะมันก็ยังางลุ้นต้านก็อย่างรี่ว่ามีความทุกขนะ์อย่างนั้นอย่างนี้เข้ามามีความกังวลเข้ามาแต่ถ้าเราดูแค่สังเกตเขาเฉยๆนะไม่ต้องไปคจัด ก, การนะ การปฏิบัติธนี่ไม่ใช่การจัดการกนะิเลสแต่เพียงแค่สังเกตว่ากิเลสกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยแล้วก็ผ่านไปแต่ปล่อยให้ผ่านไปแบบนะไม่เข้าไปเป็นกับกิเลสนั้นนะเนาะเขาแก้จิตว่ามันเป็นแค่แความคิดที่กิดขึ้นขจิตใจพอเรารู้ทันแล้วก็วางไปนะนะพอเรารู้ทันแล้วก็วางไปอันนี้คือการวิธีรนะับที่สุดที่จรับให้เราได้ว่า กนะารพัฒนาเตมได้ดีคือการเห็นกิเลสถึงกับจิตใจแล้วก็ไม่ไปเปรียบกับมันนะแต่บางทีถ้าทนะ้าสติเรายังไม่เข้มแข็งนะหรือว่าถ้าเราดิบพัน์ความคิดทันกิเลสแต่เราเองก็จะการฝึกให้มีสติในการรู้สิ่งทียาหรือว่าสิงง่ายก็คือการรู้ผ่านเคลื่อนไหวหรือรู้ร่างกาย คือว่าการนีเรียกว่ามีกรรมฐาทสักอย่างนะให้เป็นเครื่องอยู่ก่อนนะให้เป็นเครื่องอยู่ไปก่อนเป็นเครื่องอยู่ก็จะได้เรียกว่าให้เกิดกำลังให้มันแข็งแรงขึง้นเหมือนบางทีนักกีฬาอย่วนะแต่จะไปเล่นกีฬาเป็นแข่งทันทีเลยมันก็ด้ไหมก็ได้ไอยู่นะแต่โอกาสแพ้ก็มากนะไม่ใช่ว่าเราจะมีพวามสว่างมีความสามารถได้มากมาย แต่การซ้องการฝึกนะการพองมันจะทำให้เราเข้มแข็งทำให้เราจำนานเมื่อเราเแข่งขั้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แข่งชนะนะอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมในรูปแบบก็เรเ่็นจิที่สาคัญบางทีจิจะให้คอยสังเกตจิตใจสังเกตอารมณ์ตลอดวันตรอดเวลาเลยในหนาที่ต้องกระทบกับผู้คนใที่ต้องทามา หรือขณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับสินสารมากมามันก็ทําได้เช่นเดียวกันแต่ค่อนข้างยากแต่ไม่ช่ว่าทำไม่ได้ทำได้แต่บังขณะถ้าเราไม่มีตัวเลือกเราก็ต้องฝึทําไม่ได้แต่ถ้าเรามีโอกาสการท่เรามาฝึกหรือปฏิบัติในรูปแบบนะเขาจะช่วยให้เรามีกำลับที่เข้มแข็งขึ้นะจริงมันจะตั้งม่นได้เร็วมีความม้านคงมีสมาี่มากขึ้น อาที่เราูนะ้เน่ยรู้ว่ากายกำลังทำอะไรรูนะ้แบบสบายๆไม่ใช่รู้แบบเจัดจ้งเนาะการปฏิบัติแบบนิปปัตนาธรรฐานจะแตกต่างจากการทํ า, ทาทแบบสมถะเป็นอย่างมากนะนะบางทีรูปแบบภายนอกนะเท่าเหมือนกันจะเป็นการนั่งโดยตรงภายใจก็ดีจะเป็นการเดินจ ง, งกรมก็ดีหรือแม่แต่การยกมือสร้างจังหวะก็ดีนะ มันไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบภายนอกว่าอะไรคือสมาถะอะไรคือวิปัสนาแต่สิ่งที่แยกก็คือว่าในการวางใจของเราแถบมันเป็นสมถะหรือว่าเป็นวิปัสนาถ้าการาวางใจเป็นสมถะก็คือเราจดจ่อหรือว่าเราจดจ้องหรือว่าเราเข้าไปแช่เข้าไปอยู่กับสมถะตรงนั้นเราจะไปจดจ่อ อยู่กับ ล, ลมหายนะนะใ จ, จรยรนะนะหรือกับมือเอาจิตแนบไว้กับตรรมานตนั้นอย่างเดียวกับคํวารกรรมอะไรแล้วแต่เป็นธรรมทานานั้นแต่การเจริญวิปัสสนาหรือว่าการทำวิปัสสนาเนี่ก็คือเราเป็นแค่ผู้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่ง น, นอนคูเ้เหยื่อเคื่อนไห ว, วหายใจเข้าหายจออก มีสติเป็นผู้สังเกตตามใใเป็ น, ไ, นนะไปของกายกายก็เป็นผะ้าทำงานอนะลูบเคลื่อนไหวไปเราก็ดูลูบเคลื่อนไหวไปนะจิตใจอยู่เพีแค่ผู้สังเกตวิสติสังเกตดูอยู่เฉยพอจิตใจเกิดความคิดจิตใจมีอารมณ์เกิดขึ้นมีอาการอะไเกิดขึ้นกัจิตใจก็เห็นอีกทีว่าเมื่อกี้จิตใจมันโง่เมื่อกี้จิตใจมัน ค, คิดนะ มีสติที่มาเก็บวิญิาณมีจิตขี่ดดดดโดมเนินที่เกิดตามขึ้นมาจากการที่รู้ว่าจิตเมื่อกี้หง ด, ดไปอันนี้คือการแค่สังเกตหรือการรู้เข้าขัดแค่เราทําแบบนั้ไปเรื่อยๆอันนี้คืาาก อ, อ, อ, อการจเจรินวิปัสสนาหรือว่าการเจรินสติก็ได้เราทาไปแบบนี้แหละก็คือจะทําให้เราเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจของเราให้่อยขึ้นทํำไยๆรู้มากๆ จิตก็เกิดความมันคงเกิดความตั้งมั่นนะพอหลงอาจจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นได้น้อยลงหรือว่าต้านลงตัวรู้นะที่มันเคยจำได้หรอเนี่ยมันคือระลังนั่งอยู่นั่งกำลงเดินอยู่นั่งกำลังนอนอยู่นั่งกำลังขึ้นไหวอยู่นั่งกำลังหายใจอยู่นะสติมันจะรู้เองของมันแต่ก่อนเราต้องตั้งใจที่จะรู้แต่พอตกไปเรื่อยเื่อมันรู้ของมันเองนะ มันเราทาการทำ ง, งานเคารพกันแล้วแต่แต่ก่อ น, นก็ต้องตั้งใจนะมากๆแต่ต่อไปก็เิอความเคยชนะินนะเมันเรารับรถนะตอสตืหัดใหม่ๆก็ก็ยากนะก็ลำบากก็เบรคแต่พอฝึช้นานานแล้วก็ขับสบายนะคล่องตัวแล้วถึงเขียนหนันคือก็เหมือนกันจำได้ไหมตอนอยู่รั้วบ้านนะควจะเขียนยที่กองไก่ที่ที่เดีวยวตัวก็ โยกหน้าโยกตากเขียนไม่สวยแต่ต네่อไปเรื่อยก็เขียนได้สวยขึ้นแต่บางทีเขียนจำนาก็การเขียนไม่สวยอีกทีหนึ่งนะเขียนด้วยความคล่องตัวเกินไปก็มีอันนั้นเนี่ยการฝึกของเราก็เหมือนกันนะค่อยๆ่ฝึกไปนาถ้าเรามีโอกาสก็เริ่มต้นจากการฝึกใรูปแบบกรรฐานก็ยาง แต่อยากให้ฝึกในแนวของพิพัสนาหรือว่าการเชิงสติไปเลยจะติกว่าเพราะว่าเราทําำในทางที่ว่าเป็นเพียแค่มีสติคอยเห็นกายเพิ่หมหน่อยคอยรู้เท่าทันใจที่คิดนึกเราแต่ถ้าเราไปตั้งต้นวยการทําแบบสมาธิทาให้จิตมันสงบก่อนมันอาจจะยากสำหรับพวกเราที่ต้องทําการทํางานต้องเของียวขวางตัวผู้คนเพราะว่า อาจจะทำสมาทานได้ดีเนาะต้องมีสถานที่ที่สบายะมีสถานที่ที่สงบนะต้อมีเรียกว่ามีแล้วก็มีครูบาอาจารที่แนะนําได้ดีนะเพราะว่าถ้าไม่มีสถานที่ที่สงบอ่าหรือ ม, มีครูบาอาจารแนะนําได้ดีบางทีอาจจะหลงทางได้ง่ายนะเมื่อวานนี้ไปนั่งไดอานีหรือเรื่องหนึ่งนะมีศิลปินคนหนึ่งเขา ถ้าทำสมถาเป็นที่นะก็เห็นโอ้ก็แน่วาดเสี้ยวแผนเขาเขาเล่าถึงประสบการณ์เขาวาดภาพถ้ามาตื่นชื่อคนก็คหรือจักเต็มเติชื่อดังอท่านวาถภาพท่านบอกว่าแตา่อนที่วาดภาพ้ก็มีสัานแปลว่ามีบริวารอย่างน้อยสี่หรือห้าคนอ่ที่อยู่ด้วยเพราะะไรท่านจะกำลังคิดให้เป็นสมาธิแล้วก็บาดภาพไป คนคนหนงนี้คอยตอกกระดาษมาให้ว่าอีคนนึงเพราว่าเจ็บตอกระดาษออกคนก็ได้ตอกกระดาษใหม่มาแทนที่คนที่สามนี่เข้าประตูข้างหน้าคนที่สีเข้าประตูข้างหลังนะให้ใครโดนกวนเขาบอกว่าเพราะเพราะว่าถ้ามีครโดรกวนตอนนั้นอาจจะตายได้เพราะเเิแบบถอจินมาล่าฆ่าแล้วท่า เนี่ยสตินะขาใช้สมาธิในการราานะักษาอมอันนี้คือทาานะ่ทาสมมตนะโอกาสบางทีนมีอะไรบกัวมมนิดนึงนีบางทีมัมนก็พิกไปไปได้ง่ายอน ะ, ะอันนี้ก็คือแต่ถ้าเราเจอมีปัหนาถ้าเรามีโอกาสในสถานที่สบ า, า, ายๆก็ดีอยู่ในสถานที่ออท ร, รุ่นวายก็สามารถเจริปัจจัได้เนเจริสติได้ไม่เป็นไร เรานะปฏิบันิในรูปแบบได้ก็ดีหรือไม่มีโอกาสปฏิบในรูปแบบปฏิบัตินอกรูปแบบก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือคือสิ่ที่เรียกว่ามันมันเลือเ่อไปอย่างมากในการที่ฝึกตึกของพวกเรานะแล้วก็การเริยนวิปัสสนาเนี่ยแหละนะมันก็จะทําให้เราเข้าถึางความจริงนะหรือว่าัำกิตให้บรนะิสุทธิ์ทำกิตให้บรุทธิคนได้อันนี้คือติ่งที่สำคัมา เพรจริงสมรฐาสมรฐานเนี่ยมีมาแล้วแต่สมัยก่อพุท ธ, ธกาแลแล้วนะเขาทำความสมบูรณ์มามากมายแล้วนะแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงมากกว่านได้แต่พระเจ้าท่ า, านอบรมเริ่มการเจริญสติหรือว่าการเจริญวิปัสสนานี่แหละท่านก็เลยสามารถค้นจากความทุกข์ได้จากแท้จริงนคนแต่ก่อนไม่ทำความชัว่วก็มีมากมาย อาจจะเยอะกว่าคนสมัยนี้เล้ไปในชะ่ไคนแต่ก่อนเนี่ยก็าทำช่วที่ามากอ่อกนะคนแต่ก่อนตัวเหญก็เป็นคนดีคนสงบกันกเยอะมากเลยเล่นซ้ำไปแต่คนสมัก่อนก็เป็นคนชั่วก็มีนะก็เหมือนกันแต่คนที่จะพบจะกควาคุมเนี่ยมีไม่มากนะอ่าถ้าไม่ได้คำสอนของพื่ย่าเนี่ยยากนะที่จะพบจะกความคุ้มได้เล่นหลบเ้องเองเพราะนั้นการ ปฏิบัติตามจากพุทธศาสนานะเขคือกากที่เราพยายามที่จะรักจะขอบชั่วครัวเราอยากที่จะทำความดีให้มากที่สุดแล้วก็ฝุกจิตฝึกใจให้เรียกว่าออกจากความทุกข์ฝึกจิตฝึกใจให้เรียกว่าให้เขถึงจิตเดิมแท้คือจิตที่ไม่คุกข์ใหได้นะแล้วถ้ารทำตัวเองได้ดีจะต้องพยายามที่จะช่วยคนอื่น ให้เขาต้นจากความรุดร่วงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สําคัญอย่างมากเนระาก็อยากจะฝากไว้นะในชาววันนี้ที่เราได้พบกันก็อยากจะให้าอาจารย์ทุ่มได้แนะนําสําหรับผู้ที่ยังไม่เกคยฝึกเนาะในจุดในการเติมสติสำหรับผู้ที่ฝึกแล้วก็คือว่ามาใช้สถานที่นะัะในการชาร์แบบให้กักบจิตใจของรเราเองการภาวนาก็คือว่าการ ทำให้มากเจอให้มากอันนี้คือการภาวนานะอการทำให้มากแล้วก็ดูมากเหมือนเรากินมากแล้วก็ินมากนะแต่ถ้ากินมากเกินไปทุกวันนะนะ่นต้องกินนะแต่จริงมันไม่เหมือนกินข้าวเสียทีเดียวหรอกนะภาวนาเนี่ยยิ่งยิ่งกินมากยิ่งดีนะยิ่งทำมากยิ่งดีนะอแต่แล้วก็ทำให้ถูกนะถ้าทำให้ถูก พอจะโลคิดทางได้นะแต่ถ้าทำถูกแล้วก็โอกาสที่จะเข้าใกล้พระโพลิสาข้ามากขึ้นทุกวันทุกวันทุกขณะก็